พวกเราชิมลองมาตั้งแต่เช้าเป็นไงรสชาติเป็นไงลองชิมชิมลองมาตั้งแต่เช้าหลวงพ่อก็ออกจากวัดมาตั้งแต่เช้ามืดมาโผลตอนนี้ทําเต่าโน่นหรอโดน เมื่อเช้ามาถึงนี้ก็ได้ชั้น10โมง45 10โมง50ได้ลงมือชั้นเท่ากับชั้นเพลเมื่อเช้านี่11โมง20เสร็จเลิกกลับกุฏิไปพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นมีคณะธรรมบริกรเข้าไปพูดคุยนู่นนี่พวกเราก็ผ่านการปมะทมฤกษ์ไปก่อนแล้วแล้วก็ผ่านการนั่งรอบเช้าก่อนเที่ยงตอนบ่ายเดินจงกรมเป็นชั่วโมง ล้วก็นั่งภาวนาอีกเกือบชั่วโมงกว่าจะมาถึงวระนี้ตอนนี้ก็จะบ่ายสามแล้วแล้อีกสองสนาทีก็บ่ายสามแต่ตอนค่ำเรามีเวลายาวนะตอนค่ำตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปจนสี่ทุ่ ม, มใครไม่อดไม่ทนกันในร้องโอกๆเนยตอนค่ำเลยน ะ, อะตอนค่ำ ตอนนี้เราก็มีเวลาจากนี้ไปสี่โมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนี้เราก็จะเล่านั้นเล่านี้ให้ฟังบุตธรรมะพูดแนวปฏิบัติให้ฟังพวกเราก็เข้าที่ภาวนาได้เลยเข้าที่ภาวนาเข้าที่นั่งหลับตาภาวนาได้ถ้าเราจะว่าไปแล้วนี่วัชรธรรมตรงนี้เราจะว่าอนุบาลไม่ใช่นะ ไม่ใช่อนุบาลปุ๊บปั๊บให้หลับตาภาวนานอนุบาลที่ไหนถ้าเป็นอนุบาลก็คืออนุบาลขั้นภาวนานะบางคนก็พผ่านหลายแห่งหลายนักนมาแล้วบางคนก็โกเอ็นกล้ามาเป็นสิบสิบครั้งมาแล้ววัดนวนวัดนี้พวกเราเป็นนักล่าอาจารย์จริงๆริงอะ เราสังเกตดูตอนเวลาเลิกเ็าเอาใบอันนั้นมาให้ดูโอ้พวนันก็ผ่านนั้นพนกนี้ก็ผ่านนี้เพราะฉะนั้นใครผ่านขั้นไหนระดับไหนมาก็ตามเราจะถือว่าที่นี่เป็นอนุบาลก็ได้แต่แต่อะไรรู้อย่างไมธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อนุบาล อัศจรรย์ของธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระองค์น่ยสามารถไปต่อยอดให้กับทุกยอดหัวใจทุกดวงจะอยู่ระดับไหนก็นตามอยู่ระดับนุบาลระดับปฐมระดับมัธยมอุดมกี่ด็อกเตอร์มาแล้วก็ตามธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถไปต่อยอดให้ได้ทั้งหมดนี่คือความอัศจรรย์อันหนึ่งของคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นวันนี้วัชรธรรมตรงนี้บางคนก็อาจจะเพิ่งเคยเข้ามาบางคนก็เข้ามาบ่อยครั้งจนเดินเข้ามาแทบไม่ต้องเงยดูแลช่ําชองทางออกไปก็แทบไม่ต้องเงยดูคล่องทางเข้าออกคล่องแล้วประตูตรงไหนอะไรตรงไหนภาวนาแล้วได้รับรสชาติพอจะได้อะไรบ้างเข้าสู่หัวใจ บางคนก็เคยทำเคยผ่านมานี่มีคณะลูกศิษย์หลายคนทำมาทุกครั้งไม่ปล่อยโอกาสให้เสียไปละถือโอกาสถือเอาประโยชน์จากการที่เรามาเข้าร่วมอบรมนี้เป็นประจำก็ว่าได้แท้ที่จริงชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยที่สำคัญที่สุดแล้วคือการอบรม อบรมนี้คืออบรมทั้งกายอบรมทั้งใจคำว่าอบรมก็คือการฝึกฝึกหัดดัดแปลงขัดเกลาจากอยาไปหาละเอียดาจากเป็นไปหาไม่เป็นจากโง่ไปหาฉลาดจากความไม่รู้ไปหาความรู้จากความไม่ไม่คล่องไม่รู้ไม่เข้าใจไปสู่ความคล่องความเข้าใจ คือการฝึกฝนอบรมการฝึกการฝึกฝนอบรมเหตุปัจจัยสําคัญเหยุปัจจัยหนึ่งคือความอดความทนความอดความทนนี้เราต้องมีความอดความทนคือขันติขันติคือความอดความทนเราเอามาประกอบงานการทุกอย่าง กวาบททวนนี้ต้องเป็นพื้นเป็นพืช เ, เป็นพื้นให้ทั้งหมดทนฝึกทนอบทนรมทนนั่งทนเดินทนบริกรรมทนอารมณ์หงุดหงิดทนอะไรตอไร่ออะไรสารพัดภายใต้บรรยากาศที่เราไม่เชื่องไม่ชินเพราะเราไม่ค่อยได้เข้ามาอยู่ในนี้เราไม่ได้เชื่องชินไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเราเชื่องชิน เข้าตรงนั้นออกตรงนี้เข้าห้องน้ําเข้าห้องครัวเข้านอกออกในเราเข้าออกไปคล่องแต่พอเราเข้ามาตรงนี้มันกลายเป็นที่ใหม่ทั้งหมดแต่ก็ไม่สําคัญให้เราให้ความสําคัญที่จิตใจของเราก็แล้วกันวันนี้เราเสียสละมาเต็มที่เราท่านทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวาระอีกวาระหนึ่งไปจำเดือนเพราะตรงนี้ทุกๆเดือนจะต้องมีการอบรม อบรมได้ทุกเดือนตรงนี้จะฝึกอบรมมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่ปีมาแล้วไ ม, ไม่รู้เละแต่ทราบว่ามูลที่ตั้งมาได้ทั้งสาสิปีมาแล้วในานามมูลิี่ดวงแก้วเนี่ยแต่ตรงนี้กี่ปีมาแล้วเราก็ไม่ทราบนะ ผู้เข้าขอบรมตรงนี้แต่ละปีแต่ละปีไม่ใช่น้อยเพราะ12เดือน12ครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งห้สเป็นอย่างน้อยอย่างอย่างไม่ถึงนั้นก็ยี่สิเป็นอย่างน้อย30 40ิบี่สหเป็นอย่างมากจยากให้มีการอบรมอยู่ตรงนี้เป็นประจำทาให้พวกเรามีโอกาส มีแนวปฏิบัติมีข้อปฏิบัติมีที่ปฏิบัติมีโอกาสเข้าหาแนวทานเพื่อศึกษาเพื่อประพฤติเพื่อปฏิบัติเพราะคนเราเกิดมานั้นเป็นวัตถุดิบจริงอยู่ทุกคนเกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมเรามีเราเกิดมาตามบุญตามกรรมไม่ว่าเราไม่ว่าท่านนะเกิดมาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมและเราก็จะไปเราก็จะไปด้วยกรรม บางคนก็ฝึกฝนอบรมมาดีบางคนก็ฝึกฝนอรมมาไม่ค่อยดีบางคนก็ไม่เคยฝึกฝนอบรมมาเลยถึงยังไงก็ตามระดับของจิตใจของเราอาจจะไม่เท่ากันแตกต่างกันแต่ว่าแนวปฏิบัติโอกาสที่เราจะตั้งใจถือตามประพฤตตามปฏิบัติตามนั้นทุกคนต่างจะพยายามจะตักตัวงเข้าสู่หัวใจของใครของเราใครได้ตื่นเขินขึ้นมามากน้อยเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับความตั้งอกตั้งใจของเราตั้งอกตั้งใจจริงๆนะมีโอกาสจริงๆนะมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยวัชรธรรมสถานเนี่ยมสมมาทานไม่พูดกันไม่คุยกันพูดคุยกับธรรมบริกรเท่านั้นพูดคุยเท่าที่จําเป็นกับครูกับอาจารย์เพราะอะไรเพราะทุกอย่างทุกเรื่องพวกเรารู้จักกันดี เวลาเลิกเราเดินกลับที่ภาคเราไปที่ภาคเราเรามีหน้าที่อะไรเข้าห้องน้ำเข้าที่พักจะพักผ่อนจะนั่งจะดูหนังสือจะอะไรก็ตามแต่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าเราจะทำอะไระเราไม่จำเป็นจะต้องถามจะต้องอะไรกันส่วนแนวความเป็นอยู่ธรรมบริกรก็แนะนำอยู่ยังไงอ่ ดับนอนยังไงเดินยังไงนั่งยังไงขบฉันกันยังไงน้ําท่าอะไรเป็นยังไงระเบียบที่นี่เป็นยังไงพวกเราก็รู้จักก็เข้าใจกันหมดพูดไปแล้วก็คือเราไม่จําเป็นต้องคุยกันต้องพูดกันเลยเพราะมันเป็นเวลาที่เรามาทํางานหากจําเป็นจริงๆเราได้พูดได้คุยไม่งั้นบางอย่างมีความจําเป็นเราพู ด, เ ร, พดเราคุยได้ไม่เสียประโยชน์ เราพยายามตักตวงเอาประโยชน์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราให้เต็มที่เต็มที่เต็มฐานกันแล้วกันวันนี้นี่เราก็มาไม่ทันเวลาพระธมราชตอนเช้านะี่ถ้าเรามาทันเราก็จะได้ศินแปดเราก็จะได้อธิบายศินแปดให้ฟังแต่ทุกทุกคนก็เข้าใจกันดีแล้วแหละศินแปดทำไมเราต้องถือสินแปดเพราะศินแปดน่ยมันเป็นกรอบ ให้เราอยู่ถือตามพระพุตธตามได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยก็เป็นรั้วรอบขอบชิดอย่างหนึ่งทำให้คณะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้รับได้รับความสะดวกสบายจากกรอบที่เราไว้เราวางไว้อ่าแล้วก็พอเราตั้ง อ, อกตั้งใจทำตามกรอบนี้เราก็เป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นอยู่ของเราก็เรียบร้อยงานการที่เราจะพยายามฝึกเอาผลประโยชน์เข้าสู่หัวใจเราก็มี มีเ ว, มเวลามากมีโอกาสที่เราจะได้ตักตวงกันได้มากเพราะฉะนั้นจึงมีการสมทานสินแปสมทานสินแปดถือเอาสมทานเอาตั้งใจวิรัตเอาปฏิสัมปัตต์วิรัตถือเอาสมทานวิรัตขอเจตนาวิรัติ ถ้าใครรักสินมีความนึกคิดที่จะรักสินรักศินแปเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็ตั้งเจตนาวิรัตเอาไว้ไม่ค่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์อย่าลืมว่าสินแปดคือสินพรหมจรรย์คำนะว่าพรหมจรรย์ก็คืออยู่อย่างพร้อมอยู่คนเดียวโดดเดียวไม่มีคู่ไม่เป็นคู่อยู่อย่างพร้อม อย่าลืมนะสินแปดเป็นสินพรหมจันท์นะมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะไม่พูดเท็จไม่พูดยาไม่พูดซอเสียดเฟอเจอไม่ดื่มสุราเมรัยสุราด้วยเมีรัยด้วยไม่รับทา น, ทานอาหารนยามวิการนไม่รับทานอาหารนยามวิการยามวิการก็คือหลังเที่ยงไปจนถึงอารุณขึ้นวันใหม่นั่นเขาเรียกว่ายามวิการ อย่างพระเนนท่านไม่รับทานอาหารในยามวิการก็คือหลังจากเที่ยงไปจนถึงอารุณ์ขึ้นวันใหม่ถึงกระ น, นั้นก็ตามวัดป่าเราก็ยังฉันมื้อเดียวมื้อเดียวตอนไหนตอนเช้าตอนเช้าแล้วก็แล้วตอนเที่ยงใกล้เที่ยงอาหารว่างอาหารว่างอะไรไม่มีมีวัดป่าเรานอกนอกจากฉันมื้อเดียวแล้วก็ยังมีการอดอาหารอีกองเราสองวันสามวันห้าวันเจ็วันอดอาหารถ้าเราเคยอด การอดอาหารนะ่ยมนันเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผู้ที่เคยอดมาแล้วแต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยอดก็ห่วงห่วร่างกายห่วร่างกายเพราะเรารักร่างกายกลัวจะผอมกลัวจะไม่มีกําลังวังชากลัวจะเป็นโรคกลัวสุรพันธ์แหละมันให้เําทำมันให้เรากลัวเพราะฉะนั้นสินแปะท่านจีให้ไม่รับทานอาหารในอย่างพิการรับได้ตั้งแต่ได้อารุณ ไมาจนถึงเที่ยงหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยถือเว็เป็นวิการรับอาหารไม่ได้เราเรารับทานอาหารไม่ได้เรารับน้านําปานะได้อี่โกโก้กาแฟได้น้ําตานแต่พวกเราเล็กตะซอ ย, ยพวกเราไม่เอาถั่วเขียวถั่วเหลืองไม่เอาเล็กตะซอยไม่เอ า, เอาโยกองโยเกิร์ตอะไรไม่เอาอืม เป็นน้ำอ่งุูนเป็นน้ำส้มที่ไม่มีกาอ น, นี่ น, นี้เอาถือตามถ้าพวเราถือได้ตามพระจะ ด, ดีมากนี่คือปาณะตอนบ่ายหรือไม่กับบางทีเราก็คัน้นน้ำปานะสดเนี้ยน้ำปานะสดเอาน้ำปานะสดมาแล้วก็บดแล้วก็ขยี้แล้วก็กรองกรองเอาน้ำมันผสมน้ำมันด้วยแล้วก็น้ำปลาเปล่าอีกด้วยพอให้มันได้รสชาติหยอดเกลือหยอด น, น, น้ำตาลไปนี่น้ำปานะแต่ต้องไม่มีกาถ้ามีกาผลไม้เหล่านั้นท่านถือว่าเป็นอาหารถ้าเราจะทานตอนบ่ายต้องไม่มีกาทานน้ำทําเป็นน้ําปานะโกโก้ ก, กาแฟได้แล้วก็น้ําอย่างอื่นน้ําอะไรที่มันไม่มีกาใช้ได้ เล็กตะซอยไม่ได้เล็กตะซอยนมอย่างอื่นไม่ได้น้ําผึ้งได้เพราะน้ำผึ้งเป็นเป็นประเภทสัตตหาการิกเนี่ยพวกปาหนะเนี่ยประเภทยาวกาลิกได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนหนึ่งยามเขาเรียกหนึ่งยามหนึ่งวันกับหนึ่งคืนได้ช่วยยามหนึ่งวันกับหนึ่งคืนได้เช้าถึงเที่ยงอันนี้ยาวกาลิก ประเภทอาหาร น, นี่ท่านพูดถึงพระนะรับฟังอันนี้แล้วเราก็เทียบเคียงมาที่พระเพราะพระท่านถืออย่างนี้มาตลอดอาหารเห็นไหมถึงว่าอาหารที่ถึงมือท่านะตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงถือว่าหมดสิทธิ์แล้วเก็บไว้วันใหม่ใช้ไม่ได้รับทานไม่ได้เก็บไปเก็บไว้ก้างคืนในตู้ในอะไรเอามาทานอีกไม่ได้ถือว่าผ่านมือแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่า ขวดน้ำปลาขวดเดียวประเคนแล้เคนอีกไม่ใช่อันไม่ถูกถ้าถึงมือแล้วก็ถึงถือว่าถึงแล้ววันหลังต้อ ง, ต, องต้องใหม่วันหลังต้องเป็นของใหม่ถ้าเอาของเก่ามาปรับอาบัติปรามบัตไิไปจิตตีด้วยนะท่านปรามบัติไปจิตตีไปจิตตีนี้อาบัตรอ่านนัก็อสมควนะเนี่ยเขาเรียกว่า ฉันทมการฉันฉันอามิร ท, ที่เป็นสันนิธิสันนิธิสันนิธิท่านใช้คาว่าสันนิธิแปล ว, ว่าสังสมเนี่ยนิสัยของพระท่านไม่ให้สังสมเฉพาะอาหารเนี่ยรับแล้วฉันได้เช้าชวดเที่ยงแต่ประเทีรปานะ เอาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเช่นอย่างรับวันนี้ตอนนี้ก็ฉันไปจนแต่ภาณะมันก็อยู่ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่นานสามสี่ชั่วโมงบางทีก็บูดแล้วส่วนมากส่วนมากช่วงหน้าเราจะรับรับหลังจากทําเก็บไว้นานถ้าเก็บไว้ในตู้เย็ยนเอวยไเอยได้แต่แต่เป็นพระเอาไปเก็บเองเกินระยะเวลาก็ไม่ได้เกินระยะเวลาไม่ได้ เป็นยามะกาลิกอาหารยาวะกาลิกปานะนี่ยาแมกกาลิกพวกน้ำตาลพวกน้ำผึ้งอันนี้สั ต, ตาหากาลิกรับแล้วฉันได้เจ็ดวันยาวะชีวิกเนี่ยประเภทยาต่างๆรับแล้วฉันไดช้ช่วยช่วยชีวิตตลอดชีวิตแต่สมบัติเราเก็บเกลือ เกลือเป็นประเภทยาวไชีวิตนะพลิกเกลือกระเทียมเนี่ยรับแล้วฉันได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าเราไปผสมอาหารรับทานปรับอับัติปจิตีเนีเกลือเก็บไว้สลับทำยารับทานอาหารจืดเอาไปใส่อาหารปรับอับัติปยิตีเกลือตัวนั้นเป็นสันนิธินี่มันเป็นเรื่องของวินัยทั้งถือนะพวกเราถ้าจะถือ สินแปให้ละเอียดแล้วเราก็อนุโลมตามพระคนที่มองทะลุเห็นผลเห็นประโยชน์เห็นอนิสงส์เป็นเรื่องเล็กน้อยสามารถถือได้ตามได้เพราะผลอนิสงส์ที่เราจะพึงได้ในหัวใจเรายิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราหาได้ยากที่สุดเราก็จะต้องทำได้ยากเองเหมือนกันสิ่งที่ทำง่ายง่ายผลที่จะพึงรับ เป็นผลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลอะไรไม่มีหรอกของที่ยิ่งใหญ่ไพศาลของที่ละเอียดอ่อนของที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐจะต้องเป็นของที่ทำได้ยากดังนั้นเช่นอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านถือว่าปรารถนาฐานะที่เลิศที่สุดในโลกในง่ายที่ไหนเราดูสิเสียสองไข่แสนมหากรับดูสินะสี่ระยะเวลาสักเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่ง่ายๆ มันก็เป็นของ ง, อง่ายๆของกลวยๆของง่ายๆของที่มีผลเมีอณิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จะต้องเป็นของที่เราจะต้องอดจะต้องทนจะต้องทำทุกทำยากทำลาบากเหมือนกับเราทั้งอดตั้งใจภาวนานี่แหละต้องงานต้องการอัดทาเกิดขึ้นในหัวใจมันเกิดขึ้นไม่ง่ายดอกมันเกิดขึ้นได้ยากต้องสายความอดความทนอุตสาพยายามเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปชีวิตไม่มีความหมาย ต้องถึงขั้นเสียสละถึงขั้นชีวิตนี่ก็ถือว่าเสียสละขั้นสูงสุดถึงขั้นเสียสละชีวิตก็ถือว่าขั้นเสียสละขั้นสูงสุดทีเหล่านี้เราสอบเราสแสวงเอาไว้เป็นผลเป็นอเนสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดอบรม อ, อย่างนี้เราจะต้องมาฝึกหัดแหละหนึ่งฝึกหัดฝึกหัดดัดกาย หัดดัดวายาวายาแล้วก็รู้แล้วเนะี่ยมีกฎมีเกณฑ์ขึ้นมาแล้วเนะี่ยไม่มีเหตุจําเป็นที่จะไม่พูดเนี่ย ก, ก็ถือว่าปกติเราเห็นหน้ากันไม่ได้เจ้วเจ้าแต่ถ้าหากเรามีระเบียบขึ้นมาอย่างนี้อเราอยู่ในกรอบเราอยู่ในระเบียบแทนที่เราจะเสียการเสียงานเสี ย, เ, สย เ, วเวลาร่ำเวลาไปคุยไปสนทนากันเราไม่ต้องเสียเว ล, ลาร่ำเวลาเรามาตั้ง อ, อกตั้งใจทํางานได้งานมากมายนี่ เสรแล้วก็กิริยาทางกายกายของเราเข้ามาสําบูรณ์ระมัดระวังเป็นระเบียบเรียบร้อยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราต้องอยู่ในท่าทีที่ว่าเราจะต้องมีสติกํากับสติเป็นเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการฝึกฝนอบรมของเราคําว่าฝึกฝนอบรมในที่นี้เราไม่ต้องพูดถึงจริยธรมย ร, ร, ยธรมอย่างอื่นเพราะจริยธรรมอย่างอื่นนี่ถ้าหากเรามา อบรมส ม, มถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามจริยธรรมอย่างอื่นตามมาด้วยกายของเราก็พลอยสงบมาด้วยวาจาของเราก็พลอยสงบมาด้วยนี่คือจริยธรรมความพระพฤทธที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือเอากายของเรามาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่ลงตาถนวนนี่แหละสัมมาคัมมันตะสัมมาคัมมันตะการงานชอบการงานชอบคือการงานนี้แหละคือการงานมันนั่งภาวนานทําให้ใจได้รับความสงบ สัมมาวาจาคือพูดเท่าที่มีความจําเป็นที่จะพูดสัมมากรรมตักเอากายของเรามาอยู่ในระบอบอยู่ในระเบียบเสร็จแล้วก็สัมมาวายามะสัมมาวายามะก็คือพยายามเพียนเพียนพยายามเพียนพยายามความอดความการอบรมนั้นจะต้องมีความเพยายามียนมีความพยายามเพียนพยายามตามหลักจริงๆ เราไปดูในประธานสี่ประธานสี่ท่านพูดเอาไว้สังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานสังวรประธานระวังเอาอะไรมาระวังเอาสติมาระวังเอาสัมผัสัญญามาระวังระวังก็คือสำรวมสำรวมก็คือระวังระวังก็คือบังคับบังคับก็คือระวังทั้งวังก็คือสำรวมสำรวมก็คือระวังระมัดระวังสัรวมระมัดระวังเอาอะไรมาสัรวมจิตมาสัรวม ปลุกจิตของเราให้ตื่นโร่ขึ้นมาด้วยสติเอาสติของเรามาปลกุกปลุกจิตหของเราให้ตื่นขึ้นมาเพื่อสังวรจิตของเราเวลามันเอาสติมาปลุกให้จิตตื่นโร่อยู่นั่นน่ะมันเป็นการกัน้นกระแสของนิวรณ์ทั้งหลายไม่ให้มาครอบงมจิตการมาชันทะพยาปาทะกามาชันทะคิดถึงเรื่องกาอางเงี้ย คิดถึงเรืองพยา บ, บาทเรื่องงองเหงาเหานอนหเรื่องสเพระอย่างอื่นอเราก็สํารวมไม่ให้มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราใจของเราก็ได้รับความสงบจากการที่เราตั้งใจสํารวมสังวรเอาสติมาสังวรเสร็จแล้วเราก็เจริญเจริญให้จิตของเราได้รับความสงบถ้าจะอยู่กับอารมณ์บทเดียวพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่ก็นี่ก็เป็นสมมาตร จะจตามกำหนดจดจอ่อกิริยาของกายของเวทนาของจิตนี่ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอารมณ์ของการเจริญมาสตินี่คือการอบรมเราจะเอาอะไรมาทําก็ตามสติต้องเป็นหนึ่งเวลาเราตั้งอกตั้งใจทําจริงจังสติก็เป็นหนึ่งสัมปชัญญะต้องเป็นหนึ่งความปดความทนต้องเป็นหนึ่งวิริยะความภาคความเพียรต้องเป็นหนึ่ง สังวรประทานผานประทานภาวนาประทานอนุรักษนาประทานต้องเป็นหนึ่งสังวรก็คือสำรวมระบังเราวังบาปไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราบาปจะเกิดขึ้นหนึ่งหัวใจของเราได้ต่อเมื่อเราปล่อยให้เกิดช่องว่างในหัวใจของเราตันหามันแสดงออกมาที่หัวใจของเรานั่นแหละคือเจ้าคือจอมันแท้ๆแหละพอตันหาแสดงออกมาที่หัวใจของเรา เอาเราไปรักไปชังไปโกรธไปเกลียดไปอิจฉาทิสยาไปพยาบาปไปอะไรแตรร่ไรสารพัดนั่นมันมันเป็นการไม่สํารวมล่ะถ้าสํารวมสิ่งเหล่านี้จะกเกิดไม่ได้สติของเราตื่นโรูอยู่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้อาศัยสติตั้งขึ้นมาโรู้สมชันย์ปลอดภัยยึดปิดให้เป็นกระแสปิดกัน้นไม่สิ่งเหล่านั้นแทรกเข้ามา ไม่ให้อกค决ชเกิดขึ้นเวลาเวลาอาคศชมันเกิดขึ้นมาก็พยายามละที่ัว่าไม่ให้อาคศชใหม่เกิดอาคศชเก่าก็พยายามละคือระวังบาปใหม่ไม่ให้เกิดบาปเก่าก็พยายามละถ้าเราจะเทียบเหมือนนาวาคือเรือจิตใจของเราถ้าเราจะเทียบกเหมือนก็เรือกิเลสมันทับทั่วมหัวใจของเราถ้าเราจะเทียบกันมันก็เรือรั่ว เรานั่งเรือรั่วข้ามฟ้ากเราจะไปตลอดไหมเราจะไปรอดไหมเราไปไม่รอดไปไม่ถึงกลางน้ำน้ำพาเราจมแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องปิดรูปิดรูที่มันฉลักเข้าไปในเรือเรือมันทะลุปิดหนึ่งปิดรูซองน้ําที่มันมีอยู่ในเรือเราก็พยายามพิดออกถ้าเราวิชภออกโดยที่เราไม่ได้ปิดรูเนี่ยไอวิชภก็พิชไปน้ําใหม่มันก็ไหลเข้าไปไหลเข้าไป นี่คือข้อเปรียบเทียบหากเราไม่สำรวราาระมัดระวังกิเลสใหม่ก็เกิดกิเลสเก่ามันมีอยู่แล้วก็ยิ่งมากหมูนเพิ่มผูนขึ้นแต่ถ้าหากเราระวังไม่ให้กิเลสใหม่เกิดกิเลสเก่าเราก็พยายามละนีเหมือนกัเหมือนกับน้ําใหม่เราไม่ให้มันเข้าน้ําเก่าเราพยายามวิทออกในเรือของเรามีน้ำมากน้อยเท่าไหร่วิทย์ออกไปเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นวิดออกไปเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นอันนี้ให้เราดูเป็นข้ออุปมา กิเลสในหัวใจของเราไวเช่นเดียวกันนั่นแหละกิเลสในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันเราระวังไม่ให้กิเลสใหม่เกิดกิเลสเก่าเราก็พยายามรักพยายามภาวนาให้บุญใหม่เกิดบุญเก่าเราก็พยายามรักษาไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนไปทําสังวรประทานทั้งปหานประทานทั้งภาวนาประทานทั้งอนุรักษนาประทานเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งมันถึงกันหมด ราภาวนาประทานอย่างเดียวมันเป็นการสังวรประทานไปในตัวมันเป็นประหารประทานไปในตัวมันเป็นอนุรักษนาประทานไปในตัวเราตั้งใจตั้งใจภาวนาอย่างเดียวเราตั้งตั้งใจระวังสังกรระวังอย่างเดียวมันก็เป็นการภาวนาไปในตัวมันเป็นการละไปในตัวและมันก็เป็นการรักษาผลเพิ่มสิ่งที่เป็นกุศลไปในตัวเนี่ยเห็นไหม เราดูที่สามารถของผู้ทเจ้าอาัศจรรย์ไหมไม่มีขัดแย้งกันทั้งวันประทานระวังไม่ให้บาปใหม่เกิดพาหประทานบาปเก่าพยายามรักภาวนาประทานพยายามทาให้บุญใหม่เกิดอ น, อนุรักษณาประทานบุญเก่าก็พยายามรักษาเอาไว้ทําอย่างเดียวได้ผลทั้งสี่อย่างอันนี้คือความเพียร น, นะถ้าเราพูดถึงความเพียรเราทิ้งประทานอันนี้ไม่ได้ ประทานอันนี้มาในองค์มร์นะเราไปดูในองค์มร์ดิในองค์มร์นี่ประทานคือความเพียรเอาความเพียรนีน่แหละมารักษามาประคับประคองจิตใจของเราให้ใจของเราสงบให้ใจของเราเยือกเย็ยนใจของเราจะสงบได้ใจของเราจะเยือกเย็ยนได้ต่อเมื่อเราตั้งสติให้ตื่นปลุกจิตของเราให้ตื่นถ้าเราไม่ปลุกจิตของเราจิตจะหลับไหลหลับไหลด้วยอํานาจของกิเลส เกลมันเสกฐาเป่าพรวัตหลับไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะตื่นมาเลยจะสัหน่อยหนึ่งตัญหาคือความอยากมันก็แสกเข้ามาแล้วมันดึงไปทํานดึงไปทํานี้อยากเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันก็ดึงไปทำสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นในขณะที่เราทั้งอกต้องใจทํานี้แหละถ้าหาเราระวังไม่ได้มันก็ทํางานของมันโดยอัตโนมัติเรื่องของเกลียดหัวใจของเราอืม จึงมีความสําคัญจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องตั้งอกตั้งใจทําเต็มร้อยตั้งใจทําให้ยิ่งยวดทําขั้นไหนระดับไหนขั้นระดับชีวิตไม่มีความหมายไม่มีคุณภาพตั้งใจจะนั่งหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงไม่มีให้ขาดตกบกพร่องพร่องให้บินตั้งใจจะนั่งสองชั่วโมงตั้งใจอย่างยิ่งเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะีเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราตั้ง ตั้งสัจจาริยฐานเอาไว้เราตั้งความปรารถนาเอาไว้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเราดูแต่พระพุทธเจ้าของเราตอนท่านนั่งเพื่อจะได้ตรัสรู้ในคืนวันเพ็ินเดือนหเราดูสิโหยเลือดเนื้อเหงื่อแห้งไปเลือแต่เอ็นกระดูกก็ตามทีจะไม่ยอมลุกขึ้นถ้ายัางไม่ได้ตด ร, รัสรู้สมาสำโพธิญาด้วยเรี่ยวแรงของมหาบุตรด้วยความอุตสาหพยายามของมหาบุรุษจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดนั่งใช่ไหม นี่คือพระเจ้าท่านตั้งเอาไว้ให้เป็นเป็นเป็ น, ปนตัวอย่างให้พวกเราดูและหมายความว่าอะไรเอาสัตย์จักทั้งสี่มาตั้งให้เป็นประธานท่านจึงเรียกว่าจ่าตัวรงขมหาประธานจแต่รงข้ามหาประธา น, าา ม, หาธานมหาประธานที่ตั้งไว้ประกอบไปด้วยองค์สเลื อ, เอด เ, อเนื้อเอน็น ก, กระดูกเลือดเนื้อหืัวแห้งไปเหลือแต่เอ็นกระดูกก็ตามทีถ้ายังไม่ได้มรุษธรรมพระสัมมาสัมพธเจาเป็นอะไรจะไม่ยอมลุกขึ้น แต่จะต้องพยายามทําด้วยเรี่ยวแรงด้วยความภาคความเพียรของของมหาบรุษของบรุษด้วยความพยายามของบุรุษด้วยความพยายามของมหาบุรุษนี่พุทธเจ้าท่านตั้งเอาไว้ท่านทำเอาไว้มันไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้เราได้มาง่ายๆคุยค้ยๆนอกจากผลงานของกิเลสเท่านั้นแหละหลับตื่นลืมตาถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอําอนาจของมันมันเอาไปฉลุ่มจนแหลกหมดแหละ กิเลสน่ะผลเพิ่มของมันมีแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ผลที่จะเข้าสูงไว้ใจอย่างแท้จริงก็คือกองทุกมีแต่กองทุกมันไม่มีสิ่งใดที่เราจะพึงปรารถนาสักอย่างเลยนั่นน่ะถ้าเราปล่อยให้มันทําแล้วผลตามมาจะต้องมีอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นทําไมเราจะทําได้ใจของเราทำไมาเราจะทําให้ใจได้รับความสงบได้ถ้าเราประกอบด้วยคุณธรรม มีความพอใจมีความเพียรมีความปดมีความทนมีความมุ่งมั่นอุตสาหพยายามเอาเป็นเอาตายใส่ในอย่างโอปุติเจ้าเราต้องได้หนึ่งได้รับความสงบสองได้รับความประเจีงมีความรู้แวพราวขึ้นมาทําให้เราทําให้จิตของเราตื่นจากความหลับหลับจากความลุ่มหลงในหัวใจของเราเดี๋ยวนี้ตัณหามัน กล่อมให้จิตใจของเราล่มลงไปกับเพลงของมันทุกระยะทุกเวลาถ้าเราไม่อยู่ในท่าทีที่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาแล้วเนี่ยดีไม่ดีเวลาทั้งหมดเป็นของมันทั้งหมดอโอกาสที่จะเสมอต้นเสมอปลายนะมีมีน้อยมันจะดึงไปตามที่มันชอบใจที่สุดมันดึงไปสนใจเรื่องนู้นสนใจเรื่องนี้เรื่องอะไรครับมีแต่เรื่องของความชอบใจสิ่งที่ชอบใจก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ผลักเอาไปผลักเอาไป ว่าจถูกใจว่าจชอบใจเอาหมดมีพิษมีสงตา ม, มาไม่ได้คํานึงถึงี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้าเป็นเรื่องธรรมะต้องผ่านคานกรองรัเรารักษาอารมณ์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้เนี่ยดีที่สุดที่จะทําให้ใจของเราได้รับความสงบต้องการให้ใจของเราได้รับความสงบสงบสงัดจากตันหาหยุดตันหาไม่ให้มันแสดงไม่ให้มันดิ้น ด, ดิ้นในหัว ใ, ใจของเรายุดการแสดงตัวของมัน โดยการปลกุกเอาสติมาปลุกจิตเมื่อร้อยตื่นโรอยู่นี่ยเพื่อให้มันทำงานได้ข้อสำคัญข้อหนึ่งก็คือความที่รู้ชัดเจนในหัวใจของเราเได้ชัดเจนเต็มร้อยครั้งละหนึ่งอารมณ์เราเอาครั้งละหนึ่งอารมณ์ที่ว่าชัดเจนที่สุดนั่นแหละมาปลุกให้ตื่นโรอยู่อย่างนั้นตลอดเราสามารถทาได้ไหมถ้าเราสามารถทาได้ ผลอันนิสง์จากการที่เราตั้งอกตั้งใจทําเนี่ยมันก็จะให้ผลโดยเร็วคือเราไม่เปิดช่องไม่เปิดโอกาสให้กับกิเลสตัณหามันโผล่ขึ้นมาในหวัวใจของเราพยายามจับกันต่อเนื่องพื้นเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ให้มันแทรกเข้ามาในหวัวใจของเราได้อืในที่สุดในที่สุดจิตของเราก็ไม่ถูกกิเลสตัณหามันมาทับถมในหวัวใจของเรามีแต่ธรรมเกิดขึ้น สติกำกลับดูแลอยู่ท่านจึงให้อยู่ในท่าทีที่เจริญสติหรือมากกว่านำริคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือแมากำหนดสติเนี่ยให้มีความระมัดระวังรู้สึกนั่นรู้สึกตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาอย่างที่ท่านพาเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละแท้ที่จริงสถมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามมันก็อยู่ในกรอบของมหาสติปัฏฐานนั่นแหละ แต่จเจริญสมถะก็เอาอารมณ์ที่เป็นอารมณ์เดียวกันกับมาใช้ประธานนั่นแหละมาเจริญแต่เจริญวิปัสนาก็เอาอารมณ์นั้นแหละมาเจริญสงบอย่างเดียวเป็นสมถะสงบด้วยพิจารณาด้วยมันเป็นเรื่องของวิปัสนาเช่นอะไระเช่นอะไรเช่นอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเราไปเราไปจอไปที่พุโทโธลองดูดิ จ่อได้ไหมพุทโธพุทโธเราทําความรู้สึกเจ่อไปตรงไอ้ตรงจุดที่มันดําริพุทโธลองจ่อลองดูนะลองจ่อลองดูโดยที่เราไม่ทิ้งคําว่าพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ทำความรู้สึกจ่อไปตรงที่มันดําริพุทโธลองจ่อลองดูนะครูบาอาจารย์ของเราท่านก็ยังให้เอามาใช้เลยพระพุทธเจ้าท่านก็เอามาใช้นะอ่า สมาธิอานาปานาสตินี่พระธรรมการของพุทธเจ้านะสมาธิอานาปานาสติเจริญสมาธิอานาปานาสติแท้ที่จริงอานาปานาสตินี่เป็นอารมณ์ของเป็นอารมณ์ของมหาสตินะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเขาว่าได้เหมือนอย่างที่เขาภาวนาพองหนอยุบหนอพองหนอยุหนอเขาดูความไหวของกาย กายพองกายยบกายพองกายยบคำว่าอารมณ์ของวิปัสสนาพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจรารณาลมลมนั่นก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแต่ในขณะเดียวกันท่านใช้ควาว่าสมาธิอานาปานสติเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาแยกพูดเฉยเฉยโอ้สมถะโอ้วิปัสสนาทำไปเถอะเราไม่ต้องไปแยกแยะหรอกคอยเกิดความรู้อยู่ที่กายเกิดความรู้อยู่ที่ใจ ทำความรู้เท่าทันที่กายทำความรู้เท่าทันที่ใจแล้วก็เสร็จประโยชน์แล้วทำให้เรามีความรู้เพิ่มพูนความรู้เพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มความสงบของใจใจสงบบ่อยครั้งมันเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานนะท่านทั้งหลายที่ไปเที่ยวภาวนาในที่หลายแห่งมาเนี่ยท่านมีพื้นมีบารมีฐานให้กับตัวเองกับเมื่อก่อนที่ที่ไม่เคยทาเราลองดูมันแตกต่างกันนะ จิตที่สงบบ่อยๆหรือเหตุที่เราฝึกหัดบ่อยๆมันมีฐานเพราะมันมันมีฐานเพราะมันเพระชนะความสงบเราเจริญบ่อยๆมันเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานเพรามันนะปัญญาก็เช่นเดียวกันเราเจริญบ่อยๆก็ทําให้เรามีพื้นมีฐานเมืออย่างเราเจริญสติสติของเราก็เด่นขึ้นชัดขึ้นเด่นขึ้นชัดขึ้นจิตของเราก็ละเอียดขึ้น สว่างสวัยขึ้นอยู่ในเงื่อมือของสติของการตะ้งอกตั้งใจของเรามากขึ้นความสงบก็สงบเพิ่มขึ้นมากขึ้นมันจะทําให้จิตของเราเนี่ยเชื่องชินมากขึ้นเมื่อก่อนนี่ตาเห็น ร, รูรปปั๊บพรวดพลาดไปะชืรูปทันทีหูได้ยินเสียงพรวดพลาดเป็นทันทีบางที่จิตนึกคิดไปกับพรวดพลาดไปกับเรื่องที่นึกที่คิดเนี่ยมันรวดเร็วต่อการวิ่งรับอารมณ์แต่พอเราทําให้จิตของเราได้รับความสงบปั๊บ มันมีพื้นมีฐานนะมันไปพร้อมกับความรู้มันไปพร้อมกับความสงบมันไปพร้อมกับความรู้พร้อมกับความสว่างพร้อมกับปัญญาไปพร้อมกับความฉลาดไปพร้อมกับความพรั่งพร้อมของการระมัดระวังเตรียมเนื้อเตรียมตัวมันมีความพรั่งพร้อมอยู่อย่างนั้นแหะมันบอกมันมันพูดไม่พัฒนาไม่จบแต่ถ้าเราทาให้เป็นทาให้ถึงแล้วก็ยามดู พยายามดูเองนะมันพาลานาไม่จบถ้าเราตั้งอกตั้งใจทําจนสิเหลนี้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราอันนี้เป็นพื้นเป็นฐานที่เราควรสร้างควรทำให้มีให้ให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นเวลาทำํำตั้งอกตั้งใจทําทําซ้ําๆเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คําว่าบริกรรมบริกรรมอย่างพุทโธพุทโธพุทโธ พ, พูทซ้ซําๆต่านใช้คําว่าบริกรรมบริกรรม การบริกรรมแต่ละครั้งเนี่ยมีคุณค่านะมีความหมายนะเช่นอย่างเรายกจิตของเราแต time, ่ละครั้งแต่ละครั้งพุทโธพุทโธพุทโธมันเป็นการพยงจิตมันเป็นการยกจิตมันเป็นการกระตุ้นจิตมันเป็นการผูกจิตมันเป็นการตั้งจิตมันเป็นการตั้งสติมันเป็นการระมัดระวังไปทุกขณะเพราะจิตของเราเนี่ยมันทํางานเป็นขณะขนามนกันนะทำงานเป็นขณะทำงันเป็นขณะขณะ เราใช้เจตจํานงเต็มร้อยเจตนาตั้งเอาไว้เลยแหละไม่ให้มันนึกเองไม่ให้มันคิดเองไม่หไม่ให้สังขารมันปรุงตามอารมณ์ใจของมันเราตั้งเจตนาปรุงเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นท่านท่านจึงให้อบวธรรมมาปรุงเอาบทธรรมมาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธครูบาอาจารย์เราท่านจะให้กําหนดลมเข้าไปอีกลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนึ่เป็นเรื่องของสมาธิ เราทํำยังไงจิตของเราจะตื่นบางคนก็ถูกจริตนิสัยกับเอากายความไหวของกายมันอย่างเราพ่เทียนเนี้ยท่านก็ถูกจริตนิสัยกับการยกไม้ ย, ยกมือเนี้ยถือว่าเป็นการปลุกสติเป็นการปลุกจิตให้ตื่นเป็นการปลุกจิตให้มีสติกำลับให้ตื่นอยู่เนะี่ เราลองเราลองไปกำหนดดูว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกกับยกมา ย, ยกับมือมันต่างกันยังไงเราไปพิจรารณาตรงในในใจของเราแต่ถ้าหากท่านจะถูกจรินิสัยกับลมท่านก็ไปกำหลมได้ดีถ้าหากท่านถูกชนิดสัยกับอย่างอื่นเช่นอย่างความเจ็บความปวดท่านก็จะกำหนดจดจ่อจับความปวดได้ดีเนี่ยอยู่ในวงของกายของเวทนาของจิตของธรรมนี่แหละ ไม่เกินนี้รวมแล้วก็ไม่เกินสมถทタไม่เกินวิปัสนาแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราเอาโอ้อาจารย์องนั้นพระธรรมนี้นันอาจารย์องนี้พระธรรม น, นี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องอย่างนี้ อ, องค์ไหนก็ไม่เกินสมถทタองคไหนก็ไม่เกินวิปัสนาทั้งสมถทタ ท, ทั้งวิปัสนามหาสติปัฏฐานครอไว้หมดท่านทำลายไปรื้อไปดูไปค้นให้ละเอียดถีทั่วในอย่างมหาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าท่าน ามาสแสดงอาชีปฐานน ะ, ะไม่ไม่ใช่สติปัฏฐานนะปาฐะนะ น, นั่นมันบทยอ่อเนะอามหาชีพถานอาชีพถานประเภทกายนะกำหนดลมลมหายใจเข้าออลมหายใจออกทั้งกายกำหนดกายกำหนดอิธิยาบทอ กำหนดอิริยาบทของกายกำหนดการหายใจของกายกำหนดอิริยาบทของกายบางทีก็กำหนดป่ายช้า9้าเราไปดูสิป่ายช้าก้ า, า, า, กาที่ท่านพูดไว้ป่ายช้ากา้เก้าอย่างเริ่มต้นตั้งแต่ตายขึ้นอืดขึ้นพองป่วยเน่านอนเจาะโยเ ย, ยแรงกากัดกินสุนัข ก, กัดทึ่งกินจนหมดเนื้อเหลือแต่เอ็น แต่กระดูนีหน่หมดเอ็นหมดกระดูเหลือแต่กระดูเป็นชิ้นๆกระดูแล้วนะจนเหลือเป็นผุยเป็นผ่องเหลือเป็นผ่องจุนที่ท่านพูดเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงป่าช้าก้าวเราลองไปพิจารณาลองไปลงไปล่ดูนี่คือเรื่องของกาย<ม>ดูให้เกิดเป็นสมถะก็ได้ดูให้เกิดเป็นวิปัสสน า, าก็ได้อ<ม>แต่เวล า, าตั้งหมดทั้งใจทำตั้งให้เอาอย่างเดียวมาทํา ให้เอามาทําอย่างเดียวถูกกับจริญนิสยัยกับอะไรทั้งให้เอามาทําเจ้าพุโทโธพุธโทโธจนให้ใจได้รับความสงบมีความอิม่มเ อ, อิบมีความสุขอยู่ในนั้นปลุกจิตของเราปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นโรอยู่ในนั้นทุกระยะทุกเวลาตลอดนี่เราก็พยายามตั้งอกตั้งใจทําจากนั้นแลากส็สังสมไปด้วยตัวของตัวมันเองอจสติของเราก็เพิ่มดีขึ้นสมรชัญทรของเราเพิ่มดีขึ้น ความรู้ความเข้าใจความสว่างความเบากายเบาใจความเร็วต่อการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ความมีผลเพิ่มที่เกิดขึ้นหนึ่งหัวใจของเรามันก็จะต้องมีขึ้นมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาครูบา อ, อาจารย์ทักกับบอกให้เราทําแค่พูดโโผพูดโโผพูดโโแค่นี้ท่านไม่ได้มาบอกให้นั่งพูดยาวฟเฟ้ยอย่างนี้นะ แล้วทำไปผลปรากฏยังไงผู้ผู้ทำรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอันนี้เผื่ออุบายแปลกปลีกย่อยบางสี่งบางอย่างเราก็จับได้ตามชนิสัยของใครของเราอย่างน้อยก็เป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจไปช่วยกระตุกไปช่วยกระตุ้น เ, เป็นเป็นเ ป, เป็ น, ปป น, ป น, ปนไปช่วย เ, เปิด ช่องแง้มประตูบางสิ่งบางอย่างทำให้เราได้ช่องเล็ดรอดได้ช่องไ ด, ได้ได้อุบายได้วิธีที่จะทำให้เราเดินงานนี้ได้รับความสะดวกสบายจากนี้ไปนั่งภาวนานะเรานั่งภาวนา เป็นยังไงได้อารมณ์เป็นที่สบายไหมอยู่กับความสบายไหมอยู่กับความสงบของตัวเองไหมจับอะไรอยู่บ้างจะดูลม หรือจะพุโทโธพุโทโธใครถนัดอะไรก็เอาวันนั้นแหละให้มันได้รับความสบายให้กับตัวเองความความสบายปกติจิตของเราเนี่ยจิตของเราของท่านเนี่ยมันชอบความสบายอยู่แล้วมันชอบความสุขความสบายอยู่แล้วเราพยายามจับอารมณ์ให้มันพอดีพอดีให้เขาได้รับความสบาย เขาก็จะอยู่นะจะเป็นในแง่ของกำรอดสติจ่อจับก็ได้ในแง่ของการบริกรรมพุ้โธพุโทโธให้เป็นเป็นที่สบายปล่อยเขาว่าสบายสบายเนี่ ย, ยใจของใครมันก็ชอบมันไม่ชอบความทุกข์หรอกบางทีมันส่งไปนู้นไปนี้มันคิดวุ่นวายฟุ้งซ่านถ้าเราปล่อยจิต ไปตามหูไปตามสัญญารม์ข้างในมันก็พาไปกวนจิตของเราดึงให้เขาอยู่กับปัจจุบันที่กายของเราเนะี่ยไยันหายใจกับพุโทโธพุธโทโธอยู่มันเข้ากันที่ครูบาอาจารย์ท่านท่านมักจะ ม, มาสอนหายใจกับพุโทโธมันเข้ากันจับปั๊บมันสบาย มันสบายมันเบามันสบายใจมันก็ไม่เดือดไม่ด่านใจมันก็อยู่มันไม่ได้ไปวิ่งคาดหน้าข้าดหลังมันไปวิ่งอะไรเพราะมันอยู่กับอารมณ์ที่เราหาความสบายให้กับเขาให้กับใจทุกคนมีหนะ้าที่ให้ให้หาความสบายให้กับใจของตัวเองทํางมาเราจะใจเราจะอยู่อ สติเราอยู่กันเนื้อกับตัวมันพลิกแพลงกันกระดิกพลิกแพลงไปไหนก็ตามรู้ตามรู้ตามรู้นี่ก็ไม่เกินกายนี้ไม่เกินจิตนี้ไม่เกินเวทนานี้ไอตัวที่มันเด่นที่สุดเน่ยเราจะขนดจดจ่อพิจารณาความสุขก็ได้สมมติเราถึงความสุขเนี่ยเราก็จออยู่กับความสุขนั่นแหละ อย่าไปยึดความสุขก็แล้วกันอย่าไปยึดความสุข mm. เพื่อทสติกำกับให้เขาอยู่กับอารมณ์ความสุขนันนะเนื่อจะได้เป็นอาหารป้อนบางทีก็ปีติเนี้ยมันเ อ, อบิบมันอิ่มมันหาว่ามันเป็นในหัวใจของใครมันรู้เองปีติความเ อ, อบิบความอิ่มในหัวใจ บางทีมันหงุดหงิดตรงนั้นปวดตรงนั้นปวดตรงนี้นรนเราสติตามจับเข้ามันก็เป็นการตามรู้อารมณ์ที่มันมันไปสกัดการที่เราตามรู้เนี่ยเท่ากับเราตามสกัดสกัดแม่ตันหามแทรกเข้ามาตัวไร้กาศตัวเดียวที่เราพยายามพยายามป้องกัน เหมือนกับป้องกันโจคนขโมยผู้ร้ายศัตรูไม่ให้มัเข้ามาในบ้านของเราตันหาความดิดิ่ของใจมันยุให้เรารักให้เราชังให้เรางดงงี้ให้เราคิดเกลียดคิดครานให้เรานึกคิดว่าวุ่นให้เราเรานึกคิดแคลงคลางคลองใจสงสัยอ ย, อย่างนั้นรึเปล่าอย่างนี้รึเปล่า อย่างนั้นหรืออย่างนี้หรือเนี่ยมันมันสอดแรกเข้ามาดูไอ้พวกที่มันดํ า, า, า, าริ่วเพราะเปล่าเปล่าวหรือหรือเนี่ยแจ่จ่อใส่ตัวนั่นแหละขยับไปขยับมาขยับเข้าขยับออกมันจะมันก็จะเริ่มทันมันจะเริ่มรู้เริ่มทันเริ่มหาที่อยู่ที่สะดวกสบายให้กับมันได้มันก็อยู่ทั้นแล้วหามันมีที่หลบมีที่หลบให้เราได้รับความสะดวกสบาย ที่หลบที่หลบก็คือหลบอยู่กับผู้รู้นี่แหละหลบอยู่กับผู้รู้บางทีเราไปอยู่กับเวทนามันไม่น่ายู่มันทุกข์มันเร่าร้อนเกินไปอยู Aladdin ่กับผู้รู้รู้รูไม่ไปอยู่กับเวทนาหรอกอยู่กับผู้รู้รู้รู้ย่อนไปดูเวทนาบ้างรู้รู้ย่อนไปดูกายบ้างย่อนรู้รูไปอยู่กับเวทนาบ้างลองพยายาม บีหรือบังคับให้มันตามจับตามเกาะยืดก็ไปตามเกาะผู้รู้ของเราเหมือนกับมันเกาเกาเกาเกาเกาไปเรื่อยเกาไปเรื่อยเก่าไปเรื่อยขัดไปเรื่อยคัดไปเรื่อยคัดไปเรื่อยเลาไปเรื่อยเลาไปเรื่อยหรือไม่หรือไม่ก็มันแสบไปรื่แบไปเยจับหยาบแสบกันไปจนลอละเอียดละเอียดละเอียดอยู่กับผู้รู้ของเรา ยังนี้ก็ได้เกิดได้ทั้งความเบาสบายอยู่กับความเบาความสบายแต่ย้ายมันเพลินก็แล้วกันเพลินเดี๋ยวมันก็มันก็ยึดอีกเพลินสบายมันก็ยืดสบายอีกเพียงแต่เรารู้จริตนิสัยว่าอารมณ์เป็นที่สบายนั่นแหละจิตมันมักจะไม่ว่าหุ่นกับเรามันมักจะอยู่เราก็ยาวเราวางให้อยู่กับปัจจุบันตรงนั้น ความสงบของใจฮะเจตินิสัยอุบายวิธีของใครของเราทําเหมือนกันพุทโธพุทโธเหมือนกันนั่นแหละแต่อุบายวิธีละเอียดที่จะจะให้ได้รับความสงบเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันหัวใจแต่ละดวงแต่ละคนน่ยอาจะแตกต่างกันแต่เว ล, ม on, ลวมเมวามันได้รับความสงบแล้วมันสงบเหมือนกันได้รับความสบาย <บา S 2> สบายได้รับความรอบรู้มันได้รับความบาสบายได้รับความรอบรู้เหมือนกัน เราพยายามจับจับจุดเล็กๆให้มันได้ให้เป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานให้กับเราให้ได้มาถึงตอนนี้ก็มันเลยเวลาสี่โมงไปแล้วนะเนเวลาสี่โมไปแล้วเรายุติแค่นี้ใช่ไหมอเอายุจิตแค่นี้ก่อนแล้วเราจากหนั่นก็เป็นเวลาส่วนตัวของไข่ของเราไป ตอนนี้เราถือว่าเป็นวันเป็ น, ปนมันเป็นเวลาที่เรานัดเราแนกันมาพูดมาคุยมาฟังบ้างอะไรบ้างมาอยู่ในท่าทีแต่ถ้าหาเราออกไปเราพยายามไม่ปล่อยสติกำหนดจดจอด่จอตลอดให้เราระลึกทุกระยะทุกเวลาว่าเรากำลังอยู่ในการอบรมเราจะมีผลเพิ่มอะไรขึ้นมาให้กับหัวใจของเราบ้างให้พยายามทามเอา อ่าพุทธิเพียงตอนนี้แค่นี้ใช่มั้ยอ่าอ่าเอาเอากลับซะอืมก็แก๊กกลอกกระแตหลายแทะระวังเป็นกลอกกระแตก็แล้วกันนะว่าเขาอ่ะ